50 languages. m b a t t a i d ธา a m santan two. Sambandha v y g a l u a e n t e e Avalu y a a g i n n d a kelas a m a d u tilla. ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือรใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานเฮาดูเอาว่ลูมาดุเวียนันตนลลัมาดุติลตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลยเอาว่าลูมาดุเวอด า, ด า, า, า, าุติล ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุขปัสสปะปริเชยาอาดากินินดาอวรุสันโทชวาคิดดาระตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลยอวริกีมักคัลูอาดากินินดาอปรุปวาคีหัวรัเกหกุตตารเธอโทรศัพท์มาตอนไหน อาลุยาววากาับฟอนมาดุ ต, ตัเลขณะขับรถหรือกอดีวอดีสุดติรัวากาเลใช่ขณะที่เธอขับรถเฮาดูกอีอันนู้วอดีสุดติรวาาัวเธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถเอาลุกดีวอดีสุติวากาฟัฟนมาดุตัดเล เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้าอาวลดูอิสตรีมาดว่ากาันทีวีโนโดุตตาเลยเธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงานอาวลดูเคลสกักนูมาดูวากาัสังงีตะวันนูเคลุตตาเลยดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น นันน่นน่ะยนั่นนคันิดลดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไปสังกยิสตูโจโ ร, ดรวดยนูอาร์ตดิลดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นวดัดนนเองเน ก, กดากานนกยียนูวาสเนบาูล เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกมาเลยบันดารนาวูแท็กซี่อัลลีฮโกนเราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่นาวูลอตรี่เด็ดดัรเองวิศวะประยัติเนมารดอนถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าวเอานูเบเกอบรดิดดัร